บทที่162ไม่มีอะไรจะต้องรังรอแม้แต่นิดเดียวเมื่อกำหนดเส้นทางได้เสร็จสับขบวนก็เคลื่อนที่กันอย่างแข่งกับเวลาดูจากนาฬิกาข้อมือของเชตฐามันยังเหลือเวลาสำหรับการเดินได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามสี่ชั่วโมงก่อนจะมืดสนิทท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มไปด้วยพยับหมกค่อยๆแผ่ขยายลงปกคลุมทิวเขาใหญ่เบื้องหลังไว้ เรากับใครโรยม่านสีดำลงมากลางกันและค่อยๆกินแดนบทบังบรรยากาศเหนือทองทุ่งภัยสารที่มนุษย์ทั้งสิบสองชีวิตกำลังบ่ายหน้าเดินกร้ำกันไปอย่างรีบรุดเป็นสัญญาณบอกให้ทราบว่าดินฟ้าอากาศของภูมิประเทศแถบเชิงเทือกเขาพระศิวะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาท้องฟ้าใสากระจ่างอยู่ได้ชั่วไม่นานก็เริ่มมีเมฆฝนพายุ หรือมิฉนั้นก็ละอองหมอกแทบจะเรียกได้ว่าพันผลนไปได้ในระยะชั่วโมงต่อชั่วโมงเพื่อหนึ่งดินแดนในเขตความครอบครองตามอารมณ์ของเทพเจ้าเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงของการเริ่มออกเดินเท่านั้นเหลียวกลับมาทางเบื้องหลังทุกคนก็มองไม่เห็นอะไรเสแล้วนอกจากอากาศสีเทาขุ่นมัวเชิทายิ้มขึ้ ข, ขึจับแขนมัคุเทศชั้นยอดของเขาไวา้บีบเบาๆผู้กอง คุณทายว้ไม่ผิดเลยเราไม่มีทางที่จะอาศัยสังเกตภูเขาครุดลูกนั้นได้นอกจากใช้วิธีกำหนดเส้นเอาเองห่างกันแค่เดียวๆ เ, เท่านั้นอากาศเปลี่ยนซะละครับมันเป็นดินแดนอาถันเห็นได้ชัดทีเดียวชยันครางขณะที่เอี้ยวคอกลับไปมองทางด้านหลังจันสงสัยนะสงสัยว่าเมื่อ400ปีก่อนนะมังมหานรทาผู้เขียนลายแทงฉบับนี้ จะผ่านพบภูมิประเทศบริเวณนี้อย่างเราหรือเปล่าเขาบอกไว้ว่าสามวันจากตำแหน่งเขาครุดจะเดินถึงเนินพระจันทร์แต่เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงมีเมฆหมอกบังอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เราพบกันอยู่นี่เขาจะคอยสังเกตเขาลูกนั้นเป็นเครื่องหมายอยู่ได้ยังไงและรู้สึกว่าเวลาที่อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสนะมันจะมีน้อยกว่าอากาศเลวซะด้วยนาะหมอดารินพูดเบาๆเต็มไปได้วยความพิศวง รพินไพรวันไม่เอ่ยคำใดกับใครทั้งสิ้นเขาก้าวเดินยาวๆด้วยจังหวะอันสม่าเสมอไปเบื้องหน้าครั้งแรกก็จับหมู่กันายจ้างแล้วก็เริ่มเร่งฝีเท้านำลำออกไปตามปกติวิสัยในการเดินเช่นทุกครั้งและโดยลักษณะเช่นนี้ทุกคนระหนักดีในสองนัยยะคือจะไม่รับทราบวิตกวิจาร์ใดๆของคณะนายจ้างอีก เท่าๆกับเร่งเวลาของทุกคนไปในตัวซึ่งในกรณนนีนี้หายห่วงได้ใครคิดจะไล่เขาให้ทันก็หมายถึงต้องวิ่งท่ามกลางความสลัวมัวซัวของบรรยากาศรอบด้านเหมือนเดินอยู่ในแดนสนธยาทุกคนเห็นร่างนั้นดุมๆออกไปรากะเครื่องจักรกลมากกว่าร่างกายอันประกอบด้วยเลือดเนื้อและวิญญาณทิ้งให้กลุ่มนายจ้างรวมมู่เดินปรึกษาหารือกันอยู่เบื้องหลัง อากาศเริ่มจะเยือกเย็นลงช่วยเดินเร่งกันได้อย่างไม่เหนื่อยแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าจะไปเจอฝนหรือพายุลูกเห็บเอาที่ใดข้างหน้าหรือไม่จากพยับที่เคลื่อนเห็นเงาทะมืนไล่หลังนั้นคำพูดของดารินทำให้เชษฐถาคิดชายันกมาเรียนไม่สนใจกับอะไรอีกทั้งสิน้นมีหน้าที่จะต้องเดินก็เดินไปสองคนคุยกันเองตามลพาพังแยกออกไปอีกส่วนหนึ่ง พี่ชายกับน้องสาวซึ่งบัตรนี้ทั้งร่างกายและวิญญาณถูกหลอล้อมขึ้นมาราวกะเหล็กเพชรเดินแยก่กับชา ย, ยันและมาเรียมาเคียงคิดคู่กันน้อยน้อยคิดอะไรอย่างพี่ไหมอะไรลหรอครับพี่ใหญ่ก็ระยะทางจากเขาครุฑถึงเนินพระจันทร์ควรจะห่างสักเท่าไหร่ไงนั่นนะมันเกินความคิดของน้อยคับพี่ใหญ่แต่ถ้าจะสังเกตดูในแผ่นหนังนั้น มันก็ไม่น่าจะห่างกันสักเท่าไหร่เลยนะคะพี่ก็ว่าอย่างนั้นนะน้อยคนเขียนลายแทงมีเป้าหมายจะสังเกตคือเขาครุดเขาสังเกตภูเขาลูกนั้นอยู่ตลอดเวลาในขณนะที่เดินไปเขาลูกนั้นก็ไม่สูงเกินไปนักถ้าจะนับเส้นทางเดินตามปกติของคนเราสามวันเต็มๆแม้จะอยู่ในที่ราบไม่มีอะไรมาบังเลยก็ตามระยะทางขนาดนั้นเขาครุดก็ต้องจมหายไปจากสายตาแล้วใช่ไหม คำพูดของพี่ชายทำให้ดารินเริ่มเฉลียวหันมามองตาบางทีเราอาจต้องขบปัญหากันต่อไปแล้วล่ะครับพี่ใหญ่เนื่อพอจะมองเห็นอะไรอย่างที่พี่ใหญ่พูดนี่เหมือนกันพี่ใหญ่หมายความว่าอืมเราพบภูมิประเทศแบบแถบนี้บกคลุมไปด้วยหมอกอำพรางตาเป็นส่วนใหญ่เช่นไรพี่ว่าผู้เขียนลายแทงก็น่าจะพบมาก่อนเราแล้วนะ เขาเดินไปพลางก็คอยหยุดสังเกตเขาครุดไปพลางใช้เวลาสามวันก็ถึงเนินพระจันทร์และเมื่อถึงจุดหมายนั่นแล้วหันกลับมามองทางเก่าก็ยังคงเห็นภูเขาลูกนั้นคงสภาพในลักษณะของนกครุดหรืออินทรีย์อยู่ตามเดิมเทียถากล่าวช้าๆทุกเซในสมองทำงานอย่างเต็มที่ดวงตาทั้งคู่หรีลงที่นี้เราลองหันมาพิจารณา หรือลองตั้งสมมุติฐานในการเดินทางของมังมหานรทาดูนะเมื่อเดินมุ่งหน้าไปนั้นแต่หากหมอกลงจัดหรือเกิดทัศนวิสัยเลวจนมองไม่เห็นภูมิประเทศใดๆได้ถนัดเขาก็คงจะต้องหยุดพักใช่ไหมน้อยค่ะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะพี่ใหญ่พราะทัศนวิสัยแจ่มชัดขึ้นเขาออกเดินทางต่อโดยพยายามสังเกตตัวครุดไว้ทุกขณะพออากาศเลวลงก็หยุดอีก เพามื่อ ม, ม, มองเป้าหมายที่ยึดถืออยู่ไม่เห็นใช่แล้วเขาก็คงไม่กล้าเดินอาการเดินเดินพักพักขณะเดียวกันก็คอยจับสังเกตเขาครุดไปพลางนี่นับเป็นเวลาได้สามวันเขาก็ถึงเนินพระจันทร์น้อยว่าเขาควรจะเดินไปได้ไกลสักแค่ไหนละ่ะจากกลุม่มจากหลุมอุกาบาต ท, ที่สามจนถึงเนินพระจันทร์ตาของดารินเป็นประกายสว่างโพลงขึ้นร่อนทันในความคิด และความรู้สึกของพี่ชายในขณะ น, นี้ทันทีก็มีควรจะไกลสักแค่ไหนเลยนี่คะพี่ใหญ่อาจเดินไปได้หน่อยเดียวก็หยุดรอคอยให้มองเห็นอะไรชัดๆแล้วก็เดินอีกเดินเดินหยุดหยุดสลับกันอยู่เช่นนี้ตามแต่สภาพของอากาศจะอำนวยซึ่งใช้เวลาสามวันถ้าเขาเดินโดยไม่เสียเวลาหยุดเลยชนิดที่รู้เป้าหมายอยู่แล้วมันอาจจะใช้เวลาเพียงวันเดียวก็ได้นะคะนีน้อย พิษณิษฐานไกลลึกลงไปกว่านั้นอีกนะศนิษฐานอ่านความคิดของคนตายเมื่อสี่ร้อยปีมาแล้วดังนี้คือครั้งแรกที่สุดก่อนที่มังมหานราธาจะพบเส้นทางนี้และเขียนเป็นแผนที่ลายแทงขึ้นเขาจะต้องหาทางเดาสุ่มมาอย่างไม่รู้อะไรเลยช่วงทางระยะนี้หมายถึงระยะหลุมอุกาบาทที่สามกับเนินพระจันทร์เขาจะต้องคลำมาอย่างคนตาบอดเมื่ออากาศแจ่มใส มองเห็นอะไรได้กระจ่างรอบด้านเขาก็ออกเดินพออากาศวิปริตมืดมนลงเขาก็หยุดโดยจะออกเดินทางครั้งต่อไปเมื่ออากาศโปร่งขึ้นอีทีนี้เมื่ออากาศโปร่งขึ้นครั้งใดเขาก็มองเห็นภูเขาครุฑอยู่ในรูปเดิมทุกครั้งไม่ว่าจะออกเดินทางไปกี่ครั้งหรือหยุดเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกกี่ครั้งจนกระทั่งถึงเนินประจันนั่นจึงเป็นรากฐานสาคัญ ให้เขาเขียนระบุว่าในลายแทยงเช่นนี้คือเขียนว่าเหลียวกลับหลังมาครั้งใดเขารูปครุดไม่เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นไปได้ทีเดียวค่ะตามที่พี่ใหญ่สมมตินี่ได้รินร้องเต็มไปด้วยอาการตื่นเต้นต่อแนวความคิดใหม่นี้ก็เพราะอย่างนี้พี่จึงเข้าใจว่าเขาเดินไปไม่ไกลจากหลุมุกกาบาทที่สามและเขาครุดเลย คงจะต้องเปลี่ยนวนเวียนอยู่ในละแวกรัศมีไม่เกินส0สิบกิโลเมตรนี่แหละหรืออาจจะใกล้กว่านั้นด้วยซ้ำมันหมายถึงว่าเนินพระจันทร์ก็จะต้องอยู่ห่างจากเราในระยะขนาดนี้ด้วยไอการเดินเดินหยุดหยุดโดยต้องรอคอยสภาพดินฟ้าอากาศของเขากินเวลาสามวันแต่ขณะนี้ระพินตั้งเข็มทิศเดินทางของเราโดยไม่คานึงถึงว่าจะต้องรอคอยสภาพของอากาศเลยถ้าตั้งเข็มไว้ไม่ผิด เราก็ควรจะใช้เวลาที่น้อยกว่ามังมหาราาเดินมาแล้วไม่ใช่เหรอรพินพอจะรู้อะไรจากแนวความคิดอย่างนี้ของพี่ใหญ่หรื อ, อยังล่ะคะน้องสาวถามเร็วปรื้นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารพินจะคิดอย่างพี่หรือเปล่าเรายังไม่ได้พูดกันถึงเรื่องนี้ก็ อ, อาจมีความคิดอย่างนี้มาก่อนพี่แล้วก็ได้เพียงแต่ไม่พูดสาหรับพี่นะเพิ่งจะมาได้ความคิดเอาขณะที่เราออกเดินแล้วนี่แหละ ก็ทั้งนั้นทำไมพี่ใหญ่ไม่เรียกเขามาหารือในเรื่องนี้อีกทีละคะหล่อนพูดพร้อมกับมองไปทางด้านหลังของจอมพรานซึ่งเดินอยู่เบื้องหน้าห่างออกไปประมาณสามสิบเมตรไม่จำเป็นหรอกน้อยอย่าเรียกเขาลงมาสักถามหรือพูดอะไรให้เสียเวลาเลยเอาเป็นว่าเราหารือหรือช่วยกันคิดไปตามลำพังก่อนดีกว่าพี่นะ่เชื่อมือเขาเต็มเปี่ยมอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราฉลาดในการเดินทางครั้งนี้ เขาอาจฉลาดกว่าเราก็ได้เพียงแต่เขาไม่พูดเท่านั้นพี่สังเกตดูท่าทีเขาแล้วนะรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากแล้วแงาสายล่ะคะพี่ใหญ่ว่าไงสำหรับไอ้คนลึกลับนะพี่ยอมรับว่าเป็นมือชั้นยอดเยี่ยมคนหนึ่งแต่ไม่ถึงระพินหรอกถึงยังไงมันก็ยังอ่อนเชิงอยู่วันยังค่ำและตัวมันก็รู้ดีความจริงมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะ่ะนะ เพราะราพินคล่ำบอดมามากกว่าและมันก็เกี่ยวกับอาวุโสด้วยแต่คนที่อาวุโสและรอบครอบสุขุม ท, ที่สุดก็คือพี่ใหญ่นะคะรพินเองอาจมองข้ามความจริงที่พี่ใหญ่เห็นอยู่นี่ไปเสียก็ได้ความจริงพี่ใหญ่มีแนวความคิดยังไงน้อยว่าน่าจะบอกให้เขารู้ไว้สักก่อนนะคะจะไปมัวไว้วางใจว่าราพินจะต้องรอบคอบเฉียบแหลมไปหมดทุกอย่างในเส้นทางสายนี้ บางทีมันจะทำให้สายไปก็ได้ถ้าเขาคิดอย่างพี่ใหญ่จะเตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ดีไปถ้ายัางไม่รู้ก็จะได้หันมาใคร่ครวนพิจารณาใหม่เพื่อความเหมาะสมถูกต้องแต่นั่นนะบางทีก็เข่าเหมือนกันนะคะพี่ชายยิ้มเยือกเย็นสันสีสะช้าๆอย่างเต็มไปด้วยความมั่นใจไม่รอกน้อยพรานนำทางของเราคนนี้จะไม่เขาอย่างที่น้อยเกรงเป็นอันขาด เขาใช้ความคิดและความระมัดระวังมากกว่าพวกเราทุกคนอยู่แล้วพี่นะไม่ต้องการแสดงความอวดฉลาดอะไรออกมาก่อนเวลาอันควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเส้นเดินทางซึ่งมันเป็นหน้าที่โดยตรงของเขาอยู่แล้วดูเข้าไปกันแล้วกันดารินถอนใจเบาๆส่วนลึกของจิตใจภายในพลอยห่วงใยวิตกกังวลไปกับภาระรับผิดชอบของคนคนนั้น เขาจะมีความรู้สึกนึกคิดเช่นใดบ้างนะในขณะที่เดินดุมดุมนำหน้าเป็นเรือนํำร่องไปเช่นนั้นแล้วก็บอกกับตนเองว่ามันช่างเป็นเส้นทางอันยาวไกลที่สุดในชีวิตของผู้กล้าหาญหวนคิดไปถึงวาจาถากถางสุ ป, ประมาทของตอนเองที่มีต่อเขาคนนั้นในวันแรกแห่งการพบหน้าเพื่อตกลงวาจาหล่อนยิ้มเยาะเขาที่ปฏิเสธในครั้งแรกปรร n a เขา ว่าขาดตาขาวบัดนี้หล่อนจระหนักดีแล้วเลือดของพรานรพินไพรวันเข้มข้นยิ่งกว่าน้ำมากนักตรงกับกิตติศัพท์ที่เคยรับฟังมาก่อนอย่างจริงแท้แน่นอนอีกชั่วโมงเต็มเต็มของการเดินฝ่าไปในละอองฝนที่โปรยลงมาเป็นฝอยแต่ไม่มีอาการว่าจะซัดหนักเพราะลมบนพัดแรง เ่าเมฆให้ปลิวกระจายผ่านเหนือสีสะไปอย่างรวดเร็วขณะนายจ้างยังไม่มีโอกาสจะพูดคำใดกับพรานนำทางได้เพราะเขายังนำลิ้วไปเบื้องหน้าโดยไม่หยุดยัง้งภูมิประเทศรอบตัวมองไปได้ไม่ไกลนักเห็นแต่เนินหญ้าสูงสู ง, สงต่ำาๆที่ขึ้นและลงจนนับลอนคลื่นของมันไม่ได้อนาคตของค่ำคืนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะพักพิงกันที่ไหน คณะทั้งหมดเดินเรียบไปในระหว่างร่องเนินสองลูกบรรจบกันฝากหนึ่งสูงเป็นไหลชั้นขึ้นไปมองเห็นก้อนหินโผล่งอกอยู่ประกายอีกฝากหนึ่งเป็นดงกอพุ่มไม้ประเภทลมลุกเตี้ยเตี้ยระพินผ่อนฝีเท้าลงมาจนเงซายและขยินที่หาบของอยู่คู่กันเดินมาทันขณะนั้นเขาถือเข็มทิศเล็กๆประจาตัวอยู่ในมือ กำลังตรวจสอบเข็มอยู่อย่างระมัดระวงังโดยสังเกตภูมิประเทศไปด้วยแล้วทันทีนั้นเองก็มีอาการเหมือนจะตัดสินใจเฉียบขาดโบกมือเป็นสัญญาณให้แง่ทรา ย, ายหักแยกเส้นทางอันเดินมาตามระหว่างร่องไหลอย่างสะดวกนั้นไปทางชันขึ้นเขาทางด้านขวามือผู้กองเสียงแง่ทรายร้องทักมาเป็นคำแรกตามมานั่น เป็นคำสั่งที่เฉียบขาดและสั้นที่สุดแง่ท า, ายผู้หาบอยู่ด้านหน้าของขยินลังเลอยู่อึดใจเมื่อเห็นว่าพรานใหญ่ไม่ยอมเปลี่ยนเส้นทางแน่จึงลากหาบตามขึ้นไปขบวนทั้งหมดหันเหตามเข้าไปด้วยความประหลาดใจไปตามตามกันแต่ยังไม่มีโอกาสจะซักถามผู้จ่าอะไรได้ถนักเพราะช่วงระยะที่เดินห่างกันมาเป็นแถวเรียงเดียวยกเว้นแง่ า, ายกับขยินซึ่งขณะนี้อยู่ใกล้ชิดที่สุดเท่านั้น เส้นทางเดินในช่วงนี้ทุกคนรู้สึกได้ในทันทีว่ากำลังจะปีนเขากันอย่างจงใจผิดกับที่แล้วมาตลอดระยะทางช่วงนี้เรายังเหลือเวลากันอีกพอสมควรไม่ควรรีบเร่งเื่อนระยะโดยทางลำบากถึงเพียงนี้นะครับเจ้าคนเท่าทันไปหมดทุกอย่างร้องบอกเบาๆต่อมาอีกเหมือนจะเตือนสติแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนความตั้งใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้ ย่นเวลาได้มากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นน่ะนี่ผู้กองกาดใจถึงเมื่อไหร่ภายในคืนนี้หรือพรุ่งนี้หรือไงครับประพินแยกเคี่ยวเออคืนนี้ได้ยิ่งดีหรืออย่างช้าก็ต้องพรุ่งนี้จะรู้ไม่ใช่เหรอแง่ทายว่ามันเป็นไปได้ถ้าเราตัดทางถูกแต่เราต้องตัดตัดแต่เราต้องไต่ตัดขึ้นสันเขาโดยทางสูงชันมากนะครับ แต่เราไม่เคยกันมาก่อนนี่ไงลำพังผมกับผู้กองคงไม่ไกลนักแะนะครับแต่เออทุกค น, นลำบากกันมาขีดสุดแล้ว แ, แค่ลำบากช่วงสุดท้ายก่อนถึงเนินพระจันทร์นี่ชื่วต้องทนได้นะแงซ า, ายไม่เอ่อยอะไรอีกเพียงแต่ยักไหล่และปฏิบัติตามคำสั่งของเขาอย่างสงบส่วนขยินพึมพำเหมือนพูดกับตัวเองว่าที่สูงลมแรง หาที่พักลำบากพานใหญ่ไม่น่าตัดทางแบบนี้เลยแล้วก็จิงดังขยินรำพึงเส้นทางที่ระพินตัดแยกขึ้นอย่างกระทันหันนี้ทุกคนตะเกียกตะกายกันขึ้นด้วยความลำบากยิ่งยิ่งสูงก็ยิ่งชันขึ้นทุกขณะประกอบกับสายลมเย็นเฉียบที่พัดผ่านกายจนแทบทรงตัวไม่ติดกระทบแง่หินและแกงโคดคลางอยู่วืดวือ้อ เสียงพวกพรานพื้นเมืองซึ่งไม่ได้เดินตัวเปล่าแต่มีภาระจะต้องแบกหามบนกันอึงคนึงไม่มีใครบ่นว่าการนำของเขาหากแต่สบดสาบแช่งเส้นทางธุร ก, กันดานและสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นอุปสรรคอยู่แม้แต่กลุ่มนายจ้างก็พากันประหลาดใจตามตามกันชายันนั้นเมื่อแรกก็วุ่วายลั่นเพราะเป็นห่วงเมียแหม่มที่กำลังตั้งท้องของเขาหวันว่าจะพลัด ลาดลงไปทำให้แทงขึ้นแต่มาเรียก็คือมาเรียหล่อนไม่เป็นภาระให้ใครต้องกังวลเลยสักนิดเดียวปีนเขาได้คล่องแคล่วรัดกุมดีกว่าตัวชา ย, ยันเองซะอีกคนนำทางก็เอาแต่นำรุดหน้าขึ้นไปท่าเดียวสองหูถูกลมพัดแรงโกรกตึงอยู่แล้วไม่สนใจกับเสียงใดๆที่จะมาจากคนของเขาหรือฝ่ายนายจ้างทั้งสิน้นเพราะ้ายิ่งหยุดรึกษาหารือมาก ก็ยิงมีปัญหาที่ตัดสินใจยากมากขึ้นอีกเป็นเงาตามตัวเ็ามีความเชื่อมั่นประการเดียวคือผู้ที่กำลังไต่ทางตามเขาอยู่ในขณะนี้ทุกคนล้วนผ่านอุปสรรคขวากหนามของเส้นทางมหาวิบากมาได้อย่างคุ้นเคยชำนาญดีแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงเชษฐานั้นคอยระมัดระวังน้องสาวโดยเฉพาะปล่อยมาเรียให้เป็นหน้าที่ของชา ย, ยันส่วนพวกลูกหาบทั้งสามคู่ บางขณะก็ต้องปลดหาบลงจากบ่าบ่อยๆทยอยส่งของลากคิ้วกันขึ้นไปเนื่องจากเส้นทางนั้นบางระยะต้องใช้อาการปีนป่ายมากกว่าการเดินไต่ขึ้นทุลักทุเลกันอีกขนาดใหญ่แต่ก็ผ่านไปได้อยู่ดีเพราะความชํานาญทั้งๆ ท, ที่ยังมีแสงสว่างอยู่พอประมาณจากท้องฟ้ายามเย็นทั้งหมดก็เริ่มหนาวเยือกจนคางสั่นกระทบ หินทุกก้อนที่ปีนป่ายกันขึ้นไปเย็นเหมือนก้อนน้ำแข็งมีร่องรอยของพายุลูกเห็บที่ซัดกระหน่ำไว้ก่อนแล้วปาดเกลื่อนทั่วไปเรากับใครทุบ ก, ก้อนน้ำแข็งมาโรยไว้ถางก็เต็มไปด้วยความลื่นจนต้องระวังตัวแจ่นายนั่นเกิดบ้าเลือดอะไรขึ้นมากระมังครับพี่ใหญ่ดารินเกาะแขนพี่ชายแน่นในระหว่างที่ฉุดตัวกันขึ้นไประหว่างชะงอนต่อชะงอน พี่บอกกําน้อยไว้ก่อนแล้วยังไงวราพินจะต้องตัดทางโดยเข็มที่วางไว้ก่อนแล้วเขาต้องมีเหตุผลของเขาในการนําเราทั้งหมดบินเขาลูกนี้แทนที่จะอ้อมเลาะไปคพือที่จะให้ถึงเนินพระจันร์ก่อนสามวันตามที่ระบุไว้ในลายแทงนั่นแหละค่ะก็ไม่มีปัญหาเขาต้องคิดเช่นนั้นแน่ๆแต่พวกเราอาจหล่นไปคอหักตายซะก่อนก็ไม่ห่วงในข้อนี้บ้างยังไงคะเนี่ย น้อยบางขณนะความห่วงหรือกังวลต่ออะไรอยู่ตลอดเวลาน่ะมันก็เป็นการถ่วงได้เหมือนกันนะเชื่อสิจะไม่มีพวกเราคนใดหล่นลงไปคอหักตายอย่างน้อยว่าหรอกเพราะถ้าจะเกิดเหตุเช่นนั้นมันก็เกิดมาก่อนนานแล้วละ่ะฝ่ายนายจ้างทุกคนไม่มีโอกาสที่จะตรวจสอบเข็มทิศหรือเส้นทางในแผนที่ซึ่งรพินวางไว้ก่อนในขณะนี้แต่ก็รู้แน่แก่ใจว่า มักกุเทศเดินตามเส้นที่ขีดไว้ก่อนแล้วนั้นโดยไม่ให้มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางกันและไม่ยอมเลี่ยงออกจนกระทั่งเกือบจะมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นไกลกว่าสี่ห้าวารอบตัวทั้งคณะจึงผ่านทางวิกฤตขึ้นมาสู่สันเขาลูกนั้นได้สำเร็จและเหมือนจะเป็นโชคช่วยไม่ก็เป็นความเมตตาจากสวรรค์เบื้องบน เพียงช่วงไม่นานที่สมซารแสวงหาที่พักไปในระหว่างหมู่หินขยินผู้มีระบบประสาทพิเศษในการแสวงหาแหล่งปลอดภัยก็ค้นพบแหล่งน้าร้อนเข้าแองหนึ่งส่งไอกลุ่นระบายความอบอุ่นไปทั่วบริเวณราวกับมีเตาต้มรนอยู่ภายใต้ระหว่างหลืบหินแคบๆท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเหน็บซึ่งมีความหวังว่าอาจมีการหนาวตายกันขึ้นบ้าง ก็กลายเป็นความหวังที่แจ่มใสขึ้นทั้งหมดได้แล่งพักคืนกันอย่างสบายที่สุดนับตั้งแต่ออกจากภูเขานิลการมาอิ่มจากสเสบียงติดตัวนั่งและนอนพักกันอย่างแสนจลาละเหียผิงไออุ่นจากบ่อน้ำร้อนธรรมชาติในแสงตะเกียงรั่วแบบแบตเตอรี่เมื่อนั้น ทุกคนจึงเพื่อจะมีโอกาสได้พูดจา ก, กบรบพรันนำทางเป็นครั้งแรกนับแต่ตั้งหน้าตั้งตาเดินกันอย่างแทบไม่มีเวลาหายใจตลอดครึ่งวันนี่มีความจำเป็นอะไรเหรอะถึงต้องพาปีนเขาลูกนี้ขึ้นมาดาริงยังเข็มที่เราวางไว้เส้นทางมันชี้มาชนก็กับเขาเทือกนี้พอดีครับคุณหญิงถ้าจะถือตามเส้นทางเราก็ต้องตัดขึ้นมา ไม่งั้นก็ต้องอ้อมเลาะซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะต้องใช้เวลาเดินอีกนานสักเท่าไหร่จึงจะพ้นเทือกที่ขวางหน้าเข้าสู่ทิศที่ตั้งไว้ได้คำตอบนั้นทำให้ราชสกุลสาวเหลือบสบตาพี่ชายแล้วก็ถามตรงๆว่ามังมหานรทาใช้เวลาเดินสามวันคุณจะเดินสักกี่วันนี่กะจะให้เร็วกว่านั้นเหรอพระผินมองหน้าน้องสาวนายจ้างอย่างแปลกใจ แล้วยิ้มกล้้นกล้นคุณหญิงครับผมต้องการให้เราถึงที่หมายอย่างช้าที่สุดก่อนค่ำของพรุ่งนี้จะได้มีเวลาพอสำหรับการพิจารณาปริศนาของลายแทงเพื่อตัดขึ้นเทือกสำคัญที่สุดครับระพินคิดอย่างพี่ใหญ่จริงๆนั่นแหละค่ะดารินหันไปกระซิบบอกพี่ชายเชษถายิ้มอย่างยินดีผู้กอง พวกเราปรึกษาคบคิดเรื่องนี้กันมาก่อนแล้วละ่ะว่าจะยังไงเสียคุณก็ต้องคิดอย่างพวกเราคือเชื่อว่าเนินพระจันทร์อยู่ไม่ห่างจากหลุมอุกาบาต ท, ที่สา ม, มารถนะักคนเขียนลายแทนเขาใช้เวลาเดินสามวันโดยการคอยเฝ้าสังเกตเขาครุดเป็นเครื่องชี้ทางแต่ถ้าเราใช้เข็มทิศขีดจากเป้าหมายแรกให้ถูกต้องเราก็ควรจะต้องทําเวลาได้ดีกว่าเขาเพราะแต่เถิดที่เขาปีนขึ้นมาเนี่ มิระบุว่าในแผนที่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นเทือกไหนในแผนที่ต้นฉบับเดิมเพราะเขียนไ ว, คว้คร่าวๆเท่านั้นแต่ก็เชื่อว่าเป็นเทือกใดเทือกหนึ่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของหลุมมุกาบา ท, ที่สามอันแวดล้อมเนินพระจันทร์อยู่ทุ่นี้เราจะยึดเส้นทางบนสันเขาลูกนี้ไปโดยตลอดโดยมุ่งไปทางเหนือซึ่งเทือกของมันก็ทอดไปทางด้านนั้นอยู่แล้วถ้าอากาศดี พรุ่งนี้ก็จะมองเห็นอะไรได้ชัดช่วงที่ไต่ทางลำบากที่สุดก็คือช่วงที่เราผ่านกันขึ้นมาแล้วอันดับต่อไปเดินบนสันเขาคงไม่ยากอะไรนักแล้วครับทนลำบากเคเพียงชั่วแรกนี้เท่านั้นเพราะเป็นการปีนตัดเส้นทางขึ้นมาต้องขออภัยนะครับที่ผมนำโดยหักหารเกินไปแต่มันจำเป็นครับก่อนนอนในคืนดังกล่าวนี้ เสน่ห์ของบ่อน้ําร้อนที่สรงไออุ่นอยู่ในบรรยากาศหนาวเย็นรอบด้านยาวยวนอย่างแรงกล้าสําหรับดารินและมาเรียที่จะขออนุญาตลงแช่พี่ชายใหญ่อันเป็นหัวหน้าคณะมองไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องขัดขวางนอกจากหันไปหอขอความหินจากพรานนาทางเป็นเชิงอย่างเสียงระพินไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นตนเองเดินลงไปอย่างดูในบอ่อสภาพภายใต้ก้นบอ่อเห็นลึกเพียงไม่เกินเอว และมีอนาบริเวณไม่กว้างเกินไปนักพอที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ก็สั่งให้บุญคำเอาผ้าใบสำหรับโปูนอนมากางขึงกันเป็นม่านให้เพื่อให้เป็นห้องน้ำพิเศษสำหรับหญิงสาวสองคนของคณะในระหว่างที่ทุกคนพักรวมกลุ่มกันอยู่อีกด้านหนึ่งห่างกันเพียงแค่ไม่เกินสีห้าวาทั้งสองหญิงลงไปแช่น้าที่มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนจันั้นอย่างมีความสุข เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จบุญคำจะนวดให้นะนายแมมตาเท่าจอมสับ ป, ประด ORK ้องบอกมาเรียกไปเป็นภาษาพม่ากพรารู้ว่าแกไม่มีใครฟังออกแต่แกก็ลืมไปซะอย่างสนิทว่าเจ้านายของแกเองนะพูดพม่าเด็กดีกว่าแกซะอีกเสียงแมมหัวรอนคิกคักอยู่หลังม่านกันตอบมาอย่างร่าเริงว่าตกลงตาเท่าอย่าี้จะพูดกันแล้วกัน อาสาไว้หลายครั้งแล้วไม่เห็นนวดไทยฉันสักทีเรพินไพรวันเดินตรงไปที่สมุนชาราของเขาตบลงไปเบาๆที่ต้นคอพูดเป็นภาษาพมา่าเช่นกันแต่ด้วยน้ำเสียงที่ออมอมไม่ดังไปถึงหูของเชษฐาชยันและดารินบุญคำจำไว้นะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลิกทะเลื่องกันในแมมได้แล้วบุญคาคอนขับ อุบอิบในลำคอนายเราแล้วก็เป็นซะอย่างนี้ทศ ก, กันยันไปเลยตัวเองไม่เอาไหนเลย้ยังจะกันท้าคนอื่นนี่รู้ไว้ด้วยนะบุญคำนายแม่มน้ะกำลังจะมีลูกบุญคำอ้าปากค้างตาเหลือกหืมกำลังจะมีลูกลูกใครลูกนายเหรอเดี๋ยวสัดเรื่องงี้งอกหลุดหมดหัวเลย ลูกนายทหารด้วยเขารักกันก็ประกาศเป็นผมเมียกันอยู่แล้วถ้าล่งไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวก็ถูกนายทหารก็ถึกแบนดหรอกตาเท่ากรอกตาหลุกกลิกไปมาทำปากหมุบมิบเหมือนจะสวดอะไรอยู่ในลำคอเป็นเวลาอึดใจก็ยิ้มออกมาแห้งๆเกาหัวกระลกกระลนึกแล้วมันต้องให้ได้ย่างงี้สินะนายทหารของไอคาเออดีแท้ แกครางออกมาเบาๆแล้วเงยหน้าขึ้นหัวเราะแบบไม่มีเสียงกับเขาแม้ยังดีนะที่นายมาบอกไม่งั้นนายทหารคงเหยียบไอ้คำขี้แตกไอ้คำโมทนาสาทุกด้วยต่อไปนี้ไอ้คำไม่ทำสัพ ป, ปดนอะไรกับเมียนายทหารอีกแล้วฮึหาแรกนึกว่าเขาล้อกันเล่นๆเท่านั้นไม่อยา ก, กรู้นะว่าเอาจริงพรานใหญ่โครงหัวอย่างระอาใจ เอามือที่วางอยู่บนคอของแกใสจนหัวตาบุญคํำขมาไปแล้วเดินผลกออกมาก็พอดีกับที่ชา ย, ยันร้องถามเข้ามาว่าตาคําพูดอะไรกับเมย์เม่ตกี้นี้นะผู้กองอ๋อแกเตือนเมยไม่ลงไปแช่น้ําอยู่นานนักล่ะครับชา ย, ยันหัวเราะอย่างอารมณ์ดีอะไรก็ช่างเธอเตือนแกไว้ด้วยนะผู้กองคําเมยขออียามาหาประไล่แก้หนาวอะไรของแกนั่น อย่าให้แกเอาให้เปน็นลังขาดล่ะไม่เคยไว้ใจเลยพับพาดิระพินไม่ว่าอะไรเพียงแต่ยิ้มให้แล้วก็ล้มตัวลงนอนด้วยความอ่อนเพลียระพินหลับไปเมื่อใดไม่ทราบมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อความหนาวเย็นครอบงำเข้ามาจนร่างกายทุกส่วนแทบจะกระดิกกระเดียไม่ได้ขณะนั้นเป็นเวลาเท่าใดคเนไม่ถูกแต่รู้สึกว่าคงจะหลับติดต่อกันไปหลายชั่วโมง ทันทีที่เปิดเปลือกตาขึ้นและเห็นเกร็ดเขาขาวเหมือนปุยฝ้ายจับเกาะอยู่บนผนังหินเหนือศีสษะกระทบแสงแตะเกียงแบตเตอรี่ซึ่งเปิดทิ้งไว้แลดูวาววับราวกับแก้วในความเงียบแสนเงียบนั้นได้ยินแต่เสียงลมคลางอยู่วีดวือและคล้ายๆจะมีอะไรพรางพรมลงมากระทบแง่หินบริเวณโดยรอบทั่วไปอยู่ตลอดเวลาจะว่าเสียงฝนก็ไม่ใช่ จอมพรานพยายามดึงกายขึ้นนั่งอย่างยากเย็นกว่าตาไปรอบๆโดยอาศัยแสงที่มีอยู่จำกัดนั้นความมืดจึงปกคลุมบรรยากาศทั่วไปอย่างสนิทกลุ่มนายจ้างทั้งสี่คนซุกกายอยู่ภายใต้โปรงแบลงเก็ตผืนเดียวกันและนอนอยู่ชิดริมแอ่งน้ําร้อนซึ่งบัดนี้ก็คงส่งไอเป็นม่านควันอยู่นกลุ่ น, นพวกพรานพื้นเมืองก็สุ่มกันอยู่อีกด้านหนึ่งของแอ่งคงจะมีเพียงเข้าคนเดียวเท่านั้น ที่แยกนอนออกมาตามลำพังริมปากทางเพิงหินอย่างโดดเดี่ยวโดยมีกระสอบป่านเพียงผืนเดียวคลุมทับอยู่ที่หน้าอกจึงได้รับความทรมานจากอากาศอย่างที่สุดมันเป็นความหนาวเย็นที่เขาไม่เคยพบมา ก, ก่อนในชีวิตทุกคนดูจะหลับสนิทจอมพรานขยับขยื้อนร่างกายซึ่งดูจะแข็งเป็นเน็บชาไปหมดลากตัวเองคลานเข้ามาหาแอ่งน้าร้อน เอามืออันซีกเย็นทั้งสองแช่ลงไปในน้าแล้ววักขึ้นรูปหน้าเพื่อบรรเทาความเย็นอันทารณุณอยู่ในขณะนี้เขาบอกกับตัวเองว่าอุณหภูมิมันน่าจะต่ำกว่าศูนย์องศ า, ศาเซนติเกรดแน่นอนอุณหภูมิที่น้าจับตัวเป็นก้อนแข็งและมันก็เป็นความจริงเช่นนั้นภายหลังจากแช่ร่างกายบางส่วนลงไปในแอ่งน้าร้อนเพื่อช่วยตัวเองให้พ้นจากภาวะที่รู้สึกเหมือนจะแข็งตาย จนเลือดลมพอจะเดินได้สะดวกขึ้นบ้างแล้วเขาพิจารณาดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวอีกครั้งด้วยดวงตาอันเบิกโพลที่เห็นขาวราวกับปุยฝ้ายอยู่รอบๆ บ, บริเวณที่พักในขณะนี้คือหิมะหิมะระรอกแรกของการเดินทางซึ่งบัดนี้มันแวดล้อมอยู่รอบกายโปรยปลายลงมาในระหว่างที่ทุกคนหลับนั่นเองพักพวกของเขาทุกคนหลับ ได้รับความอบอุ่นจากไอของบ่อน้ำร้อนในขณะนี้ยังจะมีใครรู้สึกตัวบ้างหรือไม่ว่าหินทุกก้อนรอบด้านซึ่งห่างพ้นบริเวณออกไปนั้นมันคลุมไปด้วยหิมะเสียแล้วชนิดที่ตลอดระยะการเดินทางไม่เคยได้เผชิญกันมาก่อนรบผินนั่งตะลึงมองออกไปยังแนวโขดหินซึ่งบัดนี้ขาวโพลนทั่วไปหมดและนับทุกวินาทีที่ผ่านไป ก็เริ่มจะพอกพูนเป็นกองใหญ่ขึ้นทุกขณะจากละอองที่โปรยปลายลงมาจากท้องฟ้าเบื้องบนมันเป็นความงามอันน่าตื่นใจชวนพิศวงแต่สวรรค์ทรงโปรดในความงามเช่นที่เห็นอยู่นี้มันก็คือความตายอันเยียบเย็นที่สุดเพราะความคาดคิดไปไม่ถึงและไม่ได้เตรียมป้องกัน ร, รับมือกันมาก่อนจอมพรานสะบัดหน้าอย่างมึนงง พยายามเรียกจิตสำนึกมาสู่กายรู้สึกหนาวสท้นตั้งแต่ปลายขงขนเข้าไปจนถึงทุกเม็ดเลือดในหัวใจสังเกตดูผู้ร่วมคณะทุกคนยังหลับไหลกันอย่างมีความสุขไม่มีใครตื่นขึ้นในขณะนี้เลยจึงพยุงตัวขึ้นยืนคว้าไฟฉายเดินโซเซพ้นหลืบชะง่อนหินซึ่งเป็นเพลิงหลังคาบังอยู่ออกมาสู่อากาศภายนอกเมื่อฉายไฟกราดออกมา เขาไม่ได้ฝันหรือตาฝาดไปเลยทุกหนทุกแห่งไม่ว่าตามพื้นหรือแง่มุมของก้อนหินถูกคลุมขาวไปหมดเสียงดังสวบซาบปะแปะมีอยู่ทั่วไปในขณะ น, นี้เป็นเสียงที่ฟังคล้ายๆใครอยู่บนที่สูงระดมเอากล็ดน้ำแข็งใสคว้างปลาลงมายังพื้นเบื้องล่างศีรษะและแผ่นหลังของเขายามนี้ก็ถูกพรมพร่างด้วยหิมะ การใหญ่ก้าวไปเบื้องหน้าได้เพียงสีห้าก้าวอย่างเปะปะเหมือนคนตกอยู่ในครึ่งฝันครึ่งจริงแต่แล้วก็สุดที่จะทนทานต่อไปได้ขาทั้งคู่เริ่มจับตะคริวก้าวไม่ออกเขาเริ่มส่วนเซท่านใด น, นั้นเองก่อนที่ร่างของตระพินไพรวันจะล้มหัวลงไปบนกองน้ำแข็งที่ปกคลุมอยู่เงาสูงใหญ่ก็ทลันออกมาจากโขดหินด้านหลังรวบประคองไว้ด้วยอ้อมแขนนันอบอุ่นแข็งแรง เงะเง่ไซเขาหลุดปากอุทานออกมาอย่างยากเย็นใบหน้าในเงามืดนั้นสว่างด้วยรอยยิ้มแลเห็นฟันขาวสะอาดราวกับหิมะที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้อย่าออกไปผูก้กองอันตารายมากอิอิอิอิมะครับหิมะหิมะแรกของต้นฤ ด, ดูหนาวบนเทือกเขาพระศิวะครับเสียงกังวานแจ่มใสนั้น กระซิบตอบแผ่วเบาพร้อมกับรอยยิ้มน้อยๆบนใบหน้าไม่ได้สะดุ้งสะเทือนกับความหนาวเย็นในขณะนี้เลยประดุดร่างกายจะสร้างขึ้นโดยหินผาตรงข้ามกับระพินซึ่งประสาทชาไปหมดทุกส่วนแม้แต่นิ้วก็แทบจะกระดิกไม่ได้ระพินจ้องดูคาวหน้าอันหมดจดคมสันนั้นลมหายใจของเขาเริ่มขับไม่สะดวกเขาอยากจะผลักร่างที่ประคองอยู่ ให้ห่างตัวออกไปแต่ไม่สามารถทำได้เดีายวว่าแต่อื่นใดเลยแม้แต่จะทรงกายอยู่บัดนี้ก็ยังต้องอาศัยร่างอันมั่นคงนั้นเป็นหลักยึดแกแกกแกรู้ใช่ไหมแง่ทรายว่าว่าฉันตัดสินใจผิดที่นำพวกเราทั้งหมดมาบนสันเขานี่บุรุษหนุ่มโฉมงามเจ้าของนามเรียกติดปากว่าแง่ทราย สายสีสะแช่มช้าผู้กองครับจะอยู่บนสันเขาหรืออยู่ที่เชิงเขาข้างล่างนั่นเราก็จะต้องเผชิญหน้ากับพิมะเหมือนกันครับเมื่อรดูการของมันมาถึงผู้กองกำลังจะไม่สบายนะครับให้ผมพาผพู้กรองให้ผมพาผู้กองกลับเข้าไปในที่พักของเราเถอะครับระพินกัดริมฝีปากอันซีดเขียวของเขาลมหายใจหอบที และรู้สึกแน่นที่หน้าอกใจต้องการจะปฏิเสธไม่ประสงค์จะได้รับความช่วยเหลืออื่นใดทั้งสิน้นด้วยความถือตัวยิงะนงแต่เขาก็ต้องพ่ายแพ้ต่อพลังของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งยังแข็งแรงดีอยู่เหมือนเดิมกึ่งประคองกึ่งรากราก่างอันเย็นแข็งของเขากลับเข้ามาภายใต้บริเวณเพิงหินวางเขาไว้ชั่วคราวที่บริเวณปากเพิงนั้นตนเองย้อนกลับเข้าไป เหม้อสนามตักน้ําอุ่นในแอ่งน้ํามาวางไว้ตรงหน้าใช้ผ้าชุบความอุ่นนั้นประครบให้ที่ใบหน้าซอกคอและฝ่ามือของเขาจากนั้นก็ส่งถ้วยพลาสติกบรรจุสิ่งที่ผสมน้ําเรียบร้อยแล้วส่งให้กระแสะเสียงทุง้มอ่อนโยนบอกมาอีกว่าดื่มนะครับมันจะทําให้ผู้กองรู้สึกดีขึ้นครับก่อนที่อาการของโรคเรื้อรังประจําตัวจะแทรกซ้อนขึ้นในอีก อ, อ, อ, อะไรเสียงของเขาแหบพร่ายาสมุนไพรของลุงคํามือขวาของผู้กองเองครับผมรู้ครับว่าผู้กองไม่ศรัทธานในวิชาความรู้ของแกนักผู้กองไม่เคยเชื่อใครใ น, นอกจากตัวเองแต่คราวนี้ผมขอร้องนะครับเชื่อแกเถอะครับเพราะไม่มีทางเลือกอย่างอื่นอีกแล้วจอมพรานรับถ้วยยามาจากแง่ทรายด้วยมืออันสั่นเทายกขึ้นดื่มรวดเดียว ผ่านความขมขื่นระคนเผ็ดร้อนลองไปในลำคอแล้วนั่งเอาศีรษะพิงก้อนหินหลับตาหนิมีความรู้สึกเหมือนกำลังจะตายระหว่างนี้แง่ายเคลื่อนไหวยังไงเขาไม่ทราบสัมผัสแต่เพียงว่ามีผ้าหยาบๆมาคลุมทับให้บนร่างกายของเขาหลายชั้นช่วยปกป้องสายลมหนาวเย็นที่พัดโชยอยู่เป็นระยะระยะพักใหญ่ต่อมา เลือดที่กำลังจะจับเป็นก้อนแข็งอยู่ในทุกเซนร่างกายก็เริ่มฉีดพลาดความร้อนปรากฏขึ้นตามกระบอกตาและทวารทั่วไปลมหายใจสะดวกขึ้นความหนาวสะท้านถึงขั่วหัวใจก็เริ่มแปลมาเป็นความอบอุ่นกำลังอ่อนเปรีย้ยคล้ายเปลวไฟที่ขาดเชื้อกลับคืนมาทีละน้อยวูบวา่าไปหมดทั้งกายเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเห็นแง่าซายยังนั่งสงบอยู่ตรงหน้า นี่ถ้ากระต่นขึ้นมาไม่ทันฉันก็คงเสื่อซากไปล้มแข็งตายอยู่ข้างนอกเพิงนั่นระพินพูดพร้อมกับถอนใจเขื้อฉันคิดไปไม่ถึงนะมันเหมือนฝันไปที่ลืมตาขึ้นมาเห็นบริเวณที่พักของเราทั้งหมดปกคลุมไปด้วยหิมะมันเริ่มลงตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ไงทรายประมาณสองชั่วโมงแล้วครับหิมะเริ่มตกเมื่อผ่านเที่ยงคืนไปทุกคนนอนอยู่ริมแอ่งน้าร้อน มีผู้กองคนเดียวที่แยกก อ, อกมานอนอยู่ริมฝากเพิงหินนี่และเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วผู้กองก็ยังออกไปเผชิญกับมันอีกฉันไม่เชื่อสายตาตัวเองนะแง่า ย, ายฉันต้องการออกไปดูให้มันรู้ชัดแต่แล้วฉันก็หมดกำลังที่จะลากสังขารกลับเข้ามาได้ถ้าแกไม่ช่วยลากเข้ามาผมไม่ได้หลับโดยเพิ่งตื่นขึ้นมาอย่างที่ผู้กองคิดหรอกครับแต่ผมตื่นขึ้น ตั้งแต่หิมะปุยแรกตกลงมาและออกไปยืนดูอยู่ก่อนแล้วล่ะครับแง่สายพูดพลางสูดลมหายใจลึกอาการเต็มไปด้วยความกระปรี้กระเป่าแช่มชื่นผิดกับเขาเป็นตรงข้ามซึ่งเต็มไปด้วยความหดหู่ทุกข์กังวลนี่แกไม่รู้สึกถึงสถานการณ์ร้ายที่เราเผชิญอยู่บ้างเลยเหรอฉันหมายถึงว่าแกไม่หนาวเลยและไม่คิดว่าพวกเราจะพินาศกันทั้งหมด บนเส้นทางที่ปกคลุมด้วยหิมะนี่ริมฝีปากได้รูปงามนั้นยิ้มละไมผู้ ก, กองครับที่นี่นะมันเป็นทินของผมนะครับเงซายตอบมาด้วยเสียงอ่อยเอือยเยือกเย็นประดุดความเย็นที่แวดล้อมอยู่รอบกายในบัดนี้ตาคมวาวทั้งคู่เหลียวมองไปรอบๆกลางความมืดที่แสงจะหนาวเหน็บนั้นผู้ ก, กองครับ ผมถือกำเนิดมาจากดินแดนนี้หิมะปุยแรกที่หล่นมาสัมผัสผิวกายของผมเหมือนฝ่ามือของแม่ที่ลมไล่หมัดแตะและเตือนให้ทราบว่าวันเวลาที่รอคอยมาตลอดชีวิตใกล้เข้ามาแล้วนี่เป็นเรื่องความรู้สึกภายในของผมเองซึ่งผู้กองอาจคิดว่าเป็นอาการเพอร้อของคนบ้าอย่างที่ผู้กองเคยพูดเว้นระยะไปอึดใจหนึง่ง ดวงตาที่แหลกกาดไปรอบๆแปลมาประสานจับอยู่ที่ตาของรพินอีกครั้งที่นี้ถ้าเราจะพูดกันถึงสภาพการเดินทางของพวกเราทั้งหมดผมก็ยังเห็นว่าเป็นสุภนิมิตอันดีอยู่นั่นเองที่เราเห็นหิมะเพราะมันจะบอกให้เรารู้ชัดว่านบะบัดนี้เราเข้าตรงเป้าหมายแล้วคือใจกลางเทือกเขาพระศิวะอันเวลาที่นี่ เรายังไม่ได้สัมผัสกับหิมะเลยก็แปลว่าเราผิดเส้นทางใช่ละตั้งแต่ตะ ว, วันตกดินของวันนี้ทุกวินาทีที่ผ่านไปผมภาวนาอยู่ว่าเมื่อไหร่หิมะจะตกมาให้เห็นแล้วในที่สุดมันก็ตกมาให้เห็นจริงๆใช่สิถึงเดี๋ยวนี้ฉันก็เห็นว่าแกเป็นโรคจิตอะไรชนิดหนึง่งอยู่นั่นแหละไม่ได้มีความเห็นเปลี่ยนแปลงไปเลยมีอย่างอะ เดินกันมาจนกระทั่งเข้าแดนปกคลุมไปได้วยหิมะและความหนาวเย็นอย่างนี้เครื่องไม้เครื่องมือเราก็ไม่เตรียมมาให้พร้อมเพื่อจะรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นที่เห็นแน่ๆนก็คือเราจะหนาวตายกันทั้งหมดสุพณิมิตรหาเหวอะไรของแกกันลางมรณะเสียมากกว่าแง่าสายสันส่นศีรษะอีกครั้งปัญญาอย่างผู้กอง ปัญญาอย่างแงซายและพวกเราอื่นๆอีกทุกคนคิดเหลยครับผู้กองว่าเราจะตายกันด้วยเรื่องของอากาศหนาวเย็นนี่ก็หมายถึงว่ายาดีของบุญคำจะช่วยพวกเราให้ผ่านพ้นสถานการณ์เช่นนี้ไปได้อย่างน้นเนอะก็ยาของบุญคำจะใช้ได้สักกี่มือ้อสำหรับพวกเราทุกคนผมไม่ได้ไปล่ยความเช่นนั้นนะครับผู้กอง แต่ผมหมายถึงหนทางแก้ไขคลี่คลายอย่างที่เราเคยแก้กันมาแล้วไงไม่ว่าจ ะ, ะเผชิญกับปัญหาเช่นไรผู้กองหวั่นเกรงเรื่องมีเครื่องไม่มีเครื่องป้องกันหนาวได้เพียงพอเช่นนั้นใช่ไหมครับก็จะเรื่องอะไรสิอีกล่าเส้นทางเดินต่อไปของเราข้างหน้านะ่ะมันจะต้องเต็มไปด้วยหิมะแน่นอนคืนนี้นะ่ะเราโชคดียึดได้บ่อน้าร้อนพอได้อาศัยไออุน่นแล้ววันต่อต่อไปละ่ะ จะหวังอาศัยอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตะวันตกดินไปแล้วไอ้จะอาศัยฟืนก่อไฟก็หวังไม่ได้ในภูมิประเทศแบบนี้อีกอย่างนึงที่สำคัญไม่น้อยฝ่าก็คือไฟสำหรับหุงหาความตายที่จะมาหาพวกเราทุกคนก็คือความหิวและความเย็นไงผู้กองครับรอให้ตะวันขึ้นสะ ก, ก่อนสิครับผู้กองอาจจะมองเห็นทางเองว่า เราจะอยู่รอดได้ยังไงในภูมิประเทศแถบนี้เงซายกล่าวแผ่วเบาด้วยน้ำเสียงได้ระดับเช่นเดิมเอื้มอมมือมาจับข้อเท้าของเขาไว้บีบเบาๆผู้กองไม่เคยชินกับลักษณะภูมิประเทศบนยอดเขาสูงปกคลุมหิมะมาก่อนก็เลยเกิดความกังวลแล้วแกนะเคยมาก่อนนะจอมพเนจรก้มศีสัะลง ในเนปาลและแถบฮิมาลัยซึ่งหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีผมเคยท่องเที่ยวล่าสัตว์อยู่เป็นแรมเดือนครับคำพูดนั้นแช่มช้าชัดเจนได้จังหวะในภูมิประเทศดังกล่าวนี้ดีกว่าแถบเอสกิโมหรือขั้วโลกอันเป็นทะเลน้ำแข็งล้วนนับได้ร้อยเท่าหิมะปกคลุมก็จริงแต่ก็ยังมีพืชพันธุ์อาศัยงอกขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ไม้ประเภทสน และไม้พวกนี้ผู้กองย่อมรู้ดีนี่ครับว่าแม้จะสดก็มีน้ำมันอยู่ในตัวเองติดเชื้อไฟได้ง่ายผมสังเกตไว้แล้วแหะครับนับตั้งแต่ผู้กองนำตัดทางขึ้นสันเขาลูกนี้มีป่าสนขึ้นเป็นทิวอยู่ประตายตลอดอีกอย่างหนึง่งสัตว์ในแถบอากาศหนาวเย็นแทบจะไม่ต้องเลือกว่าเป็นสัตว์ชนิดใดขอให้เป็นสัตว์ใหญ่เข้าไวเถอะครับย่อมมีไขมันอยู่ในตัวมากกว่าเนื้อ ไขมันสัตว์สดๆนะจะติดไฟลุกเหมือนใต้แหละครับเนื้อเราจะอาศัยเป็นอาหารไขมันจะเป็นเชื้อเพลิงซึ่งให้ความร้อนได้ดีกว่าเชื้อเพลิงจากถ่านไม้ด้วยซ้ำํำระพินเริ่มมีความหวังขึ้นในดวงตาอืแง่ทรายก็ให้ความคิดแก่ฉันได้มากทีเดียวในเรื่องนี้บางทีมันอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ของแกในภูมิประเทศลักษณะเช่นนี้ซึ่งมีอยู่เหนือฉัน บอกตามตรงนะพอลืมตาขึ้นมาเห็นหิมะฉันก็ทอดอะไรละชีวิตพรามของฉันนะั้นไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเดินบุกเข้ามาในแถบที่หิมะปกคลุมโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวแบบนี้ถ้ามีการเตรียมการรู้ล่วงหน้ามาก่อนก็คงไม่อับจนสิ้นท่าถึงเพียงนี้หรอกในแผนที่ลายแทงไม่ได้บอกไว้แม้แต่นิดเดียวนี่ว่าเส้นทางเดินระยะนี้ของเราจะต้องขึ้นยอดเขาที่หิมะตก แต่ผมรู้ล่วงหน้ามาก่อนลแล้วครับผู้กองรู้ว่าเราจะต้องเผชิญอะไรในเส้นทางด่านสุดท้ายแต่ผมคิดว่ามันคือประตูชัยของเรามากกว่าตรงข้ามกับความรู้สึกของผู้กองถ้าคืนนี้และบนนี้เรายังไม่เห็นหิมะผมก็รู้สึกทอดอะไรเหมือนกันเพราะมันแปลว่าเราจะต้องผิดเส้นทางแน่เรามาถึงที่นี่ในต้นฤดูหนาว สถานที่มันเป็นแถบไหนของภูมิศาสตร์สากลก็ตามแต่มันก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากและเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของหลังคาโลกหิมะจึงย่อมมีอยู่เป็นธรรมดาแ่ะครับแล้วทำไมแกไม่เตือนฉันให้รู้ล่วงหน้าในขณะที่แกไปสมัครขอเดินทางมาด้วยเมื่อเราอยู่กันที่หนองน้ำแห้งเงสายหัวเราะเบาๆโถผู้กองครับคิดหรอครับว่าในขณะนั้น และโดยสภาพเช่นนั้นของแง่ทรายจะเตือนผู้กองได้จริงของแง่ทรายเขาไม่น่าจะพูดอะไรเข่าๆ เ, เช่นนั้นเลยระหว่างที่พรานใหญ่ยังนั่งนิ่งอยู่แง่ทรายถามอ่อนโยนต่อมาว่าตอนนี้ผู้กองรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอดีขึ้นมากเขาตอบแล้วมองไปยังคณะทุกคนที่ยังนอนหลับสนิทกันอยู่นี่ท้าพวกเราทั้งหมด ตื่นขึนมาเห็นหิมะปกคลุมบริเวณไปหมดเช่นนี้คงตกใจกันแทบช็อกทีเดียวไม่หรอกครับผู้กองคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนายจ้างของเราก็ดีหรือคนของผู้กองเองก็ดีตราบใดที่เขายังเห็นผู้กองมั่นคงเป็นปกติดีทุกอย่างไม่ว่าเขาจ ะ, ะเผชิญหน้ากับอะไรพวกเขาจะไม่มีความหวาดหวั่นพ่านพึงเป็นอันขาดแต่ถ้าผู้กองเป็นอะไรลงไปสิครับพวกเขาจะขวัญเสียทันที ถึงผมเองแงซายคนนี้ก็เหมือนกันผมยอมรับโดยไม่คิดจะแซงอมตนหรอกครับว่าผมเป็นสิทธิ์มีครูเช่นผู้กองเหมือนกันความสามารถของผมพอตัวแต่ผมไม่มีความเชื่อมั่นอบอุ่นใจเลยถ้าปราศจากผู้กองระผินเคียงข้างเออแกนะเข้าใจให้กำลังแกฉันเอาตอนหน้าละอองหิมะที่พรมลงมานี่ฉันขอรับรองว่าจะเคียงข้างแกทุกขณะโดยไม่ทอดทิ้ง ไม่ว่าแกจะอยู่ในสถานการณ์ไหนจนกว่าความจำเป็นจะทำให้เราต้องแยกจากกันเงาสายกม้มศีษะต่าลงในลักษณะโค้งคานับครับนี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาจะได้ยินจากปากของผู้กองมานานแล้วละครับนี่พรุ่งนี้เราจะต้องเดินย่าไปบนกองหิมะนี่เช่นนั้นเหรอผู้กองครับสันเขาลูกนี้ เป็นบริวารของเทือกใหญ่เท่านั้นแะครับผมเชื่อว่าพอตะวันขึ้นหิมะคงจะละลายไปและจะตกลงมาปกคลุมเฉพาะเวลากลางคืนที่มีอากาศเย็นจัดเท่านั้นและระยะ น, นี้มันก็เป็นแต่เพียงต้นฤดูหนาวยังไม่มีอะไรรุนแรงเกินไปนักลรอครับแต่นับวันที่ผ่านไปฤดูหนาวมันก็จะย่างเข้ามาทุกทีลงแบบนี้แล้วทุกขนทุกแห่งของเถือกพระศิวะ ก็จะคลุมไปได้วยหิมะหมดทั้งสิ้นต่อให้เราไปถึงเนินพระจันทร์และต่อให้เราหาเส้นทางตัดขึ้นเทือกใหญ่ได้สําเร็จก็แปลว่าตัวเราเองทั้งหมดบุกขึ้นไปเพื่อให้หิมะมันเป็นหลุมฝังศพถ้าเราหาหนทางตัดขึ้นไม่สําเร็จก็ไม่มีปัญหาหิมะจะคลุมศพพวกเราไว้ทั้งหมดไม่มีโอกาสที่จะถอยหนีแล้วด้วย แง่สายพูดเนิบเนิบแต่ถ้าเราหาทางขึ้นได้ครับเราจะฝ่าหิมะไปเพียงชั่วระยะเดียวเท่านั้นแหละต่อจากนั้นก็จะลงไปสู่แอ่งที่ราบต่ำในหุบเขาล้อมมีอากาศเย็นสบายชั่วนิรันดร์การมีธรรมชาติเป็นเกราะกำบงังปิดล้อมไว้จากโลกภายนอกมรกรนครแดนสนทยาครับต่างฝ่าย ต่างเพ่งอ่านความรู้สึกภายในจากดวงตาของกันและกันปล่อยความเงียบให้เข้ามาเป็นฉากกัน้นกลางถ้าไม่ตายซะก่อนก็คงอีกมันไม่นานวันหรอกที่เราจะพิสูจน์กันได้ว่าเรากรนครมีอยู่จริงหรือไม่ในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นเรียบเรียบผู้กองครับเราไม่ตายกันซะก่อนที่จะได้เห็นแผ่นดินนี้หรอกครับแต่หลังจากนั้นแล้ว ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหมายความว่ายังไงแงสายผมหมายความว่าเราทั้งหมดอาจไปตายกันอยู่ที่นั่นผมและฝ่ายของผู้กองครับระพิ น, นิ่งไปอีกครู่ก็เอื้อมมือตบไหล่แงรายหนักหน่วงก็ให้มันรู้ไปว่าแต่นี้เน่ฉันยังไม่ได้บอกให้คณะเจ้านายของเรา หรือแม้แต่คนของฉันคนใดระแคะระคายในสิ่งที่แกพูดกับฉันไว้โดยเฉพาะนั่นเลยครับเป็นการดีที่สุดแล้วครับผมก็เชื่อใจผู้กองในเรื่องนี้เอาไว้ให้เวลาสําคัญที่สุดมาถึงซะก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ก่อนค่ําผมเชื่อว่าเราถึงเนินพระจันทร์แน่นอนครับเป็นการถึงก่อนกําหนดเวลาแท้จริงตามที่ลายแทงระบุไว้สามวันเต็มเต็มเราจะใช้เวลาสามวันนี้พัก เพื่อรอให้ถึงคืนขึ้นห้าค่านี่คือแผนที่ผู้กองกําหนดไว้ใช่หรือเปล่าครับใช่ฉันหวังไว้เช่นนี้แต่แกเชื่อได้ยังไงว่าเราจะถึงเนินพระจันทร์ก่อนค่ําพรุ่งนี้ผมแน่ใจครับผมแน่ใจจากการตัดทางของผู้กองถ้างั้นก็ต้องคอยดูกันพรุ่งนี้ฉันก็ภาวนาขอให้เป็นอย่างที่แกบอกเถอะคือขอให้หิมะละลายในเส้นทางเดินของเรา มิฉนั้นจะลำบากมากและเราต้องยิงสัตว์ทุกชนิดที่เห็นว่าพอจะอาศัยไขมันมาทำเชื้อเพลิงได้ฉันพอเห็นร่องรอยชุกชุมของพวกมันอยู่เหมือนกันนะขณะที่ไตเขาตัดทางขึ้นมารู้สึกว่าจะเป็นพวกหมีใหญ่และสัตว์ปีนกีบบางประเภทไม่ทันจะขาดเสียงพูดของระพินทั้งสองก็ต้องสะดุ้งขึ้นสุดตัวปรากฏเสียงแผดคารามสนั่นกล้องขึ้นในความเงียบ กลางวิการของราตรีหิมะพรมสำเนียงที่ไม่อาจสดับได้ชัดเจนว่าคนจะเป็นเสียงของอะไรนั้นสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดทั้งเพิงหินที่พักพร้อมกับพื้นไหวเฮือกระพินไพรวันเพ่นเข้าหารายเฟินซึ่งบัดนี้เนื้อเหล็กของมันเย็นเฉียบราวกับท่อนหินแช่น้ำแข็งในขณะที่แงซ้ายก็กระโจนจากที่นั่งเดิมตะายเข้าหาอาวุธคู่มือและในจังหวะชุลมุนเดียวกันนี้เอง แม่นายจ้างทุกคนรวมทั้งกลุ่มแพร่พื้นเมืองก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกันหมดอย่างจ้าละวันส่งเสียงร้องถามกันเอะอะด้วยความตกใจไม่มีใครตอบใครได้ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนที่เพิ่งจะลืมตาลุกพรวดคลาดขึ้นมานั่งเห็นแต่เพียงเงาสองคนของคณะวิ่งพรวดออกไปทางปากเพลิงแล้วมีเสียงตะโกนร้องสั่งมาว่าทุกคนอยู่ในนั้นอย่าตามออกมาจําได้ว่าเป็นเสียงระพิน ติดต่อกันไปนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งหางออกไปเสียงคำรามที่ดังซ้ำ ม, มาอีกครั้งคราวนี้ใกล้ที่สุดประสานไปกับเสียงร้องบอกความอะไรโวยวายสะบับไม่ได้สับแล้วก็กำปันหน้าตูมของไรเฟินซึ่งกังวานของมันทำให้เกิดขึ้นเสียงคลื่นคล้ายฟ้าร้องก้องไปกระทบผนังเขาที่ล้อมรอบอยุทบ้านสะท้อนกลับอยู่ไปมาชนิดที่ ชนิดตีหิมะซึ่งเกาะ อ, อยู่ตามง่หินตาเพิงร่วเก้าวเฮ้ยกอ่อนกระลยุกอะไรขึ้นอีกแล้วชั ย, ยันรอมลั่นเจตนาจะาความหาปืนประจำตัวแต่กลายเป็นมังุมมาลางาหลาไปคว้าถูกประทุมถันของใครเข้าก็ไม่ทราบในระหว่างสองหญิงซึ่งก็ถูกผลักเอาหน้าายก้อนกระแทกจ้ำเบ้าไปซ้ำยังถูกเช็ดาวิ่งเดียวขึ้นมาบนอกถึงขั้นจุกแอ ก, แอ ก, แอก สหายของเ็เพ่นตามระพินกับเงารายออกไปแล้วด้วยกระสาที่ฉับไวยิ่งกว่าอีกเปอี้ยนหนึง่งร้าวไปทั้งแก้วหูเหมือนฟ้าผ่าในนรกนั้งแข็แล้วก็มีเสียงร้องว่าคุณชายระวังเบื่องหน่อกลางพุ้งคลุมหิมะเช็ด ท, ท้าวเชิญหน้ากับอะไรชนิดหนึ่งซึ่งทำให้ก็ตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกไปในพริบตาถือปืนค้างอยู่ในมือในท่าเฉียงอาวุธ เป็นลักษณะที่เขาน่งตลีตะลานออกมายืนตัวแข็งในเสี้ยววินาทีนั้นสิ่งนั้นสูงประมาณเกฟุตยืนทร ง, งานด้วยขาหลังสองขาขนเป็นสีเทาเหมือนกีเท่าหนาปุยไปหมดทั้งตัวกำลังแยกเขี้ยวขาวพร้อมทั้งหน้าขาที่อ้าว้างอยู่กลางอากาศมีอาการเหมือนจะตะปบลงมาบนศีรษะของเขาซึ่งขณะนั้นห่างกันเพียงไม่เกินสามว่า เอซายกับประพิงอยู่ที่ไหนบอกไม่ได้ในขณะนี้แต่ที่ท่านหัวหน้าคณะมองเห็นภาพนี้ก็เพราะล้าไฟฉายจากคนใดคนหนึ่งที่สาเจ้ามาทางซ้ายมือสำชาติยายามของเขาแท้แท้ที่เหนียวไกลออกไปพร้อมกันก็ดีกายถอยหลังอย่างไม่คิดชีวิตกรงเล็บอันแหลมคมยาวเหมือนปะขอเกี่ยวกระสอบข้าปตับบอบโค้งลงมาเฉียดก้างคอไปเพียงฝามือเดียว ร้องกับเสียงแทร่ร้องอยังดูไรกระหายเลือดจุด460 Weather m a ของเขาระเบิดหมือนมืนใหญ่สนามดังกว่าสองนัดที่ซัดกันอยู่ก่อนแล้วครั้งแรกส่วนตัวเองก็หกคเมนเคนเก้หมุนคว้างถอยกลบเข้ามายังพักพวกที่กำลังตะกายนัวกันอยู่นัดนั้นถูกเป้าหมายตรงตำแหน่งไหนไม่ทราบได้ แต่เจ้าของร่างมานืมาสูงเกินโพรงหินที่ไก่ซ้อนกันเป็นหลังคาหวาคล่อมลงไปบนหลังคาเพิงจนก้อนหินทับถล่มทลายเลือดข้นทะลักออกมาราวกับน้ำพุจากบริเวณกลางลำตัวส่งเสียงร้องคำรามอยู่โฮกโฮกชา ย, ยันยังลุกไม่ขึ้นดาริมทุ่งตัวเข้าไปประคองพี่ชายซึ่งปืนปกอยู่ทางหนึ่งแมารีก็วิ่งสวนทางที่เชิดาประเด็นกลับเข้ามา พร้อมกับจุดส7 5เจหในมือที่อัดก็ใส่เงาดงขวางปากทางซึ่งเห็นอยู่ด้วยความว่องไวเป็นนิ้มใสของหลอนผสมกระไรฟ้นอีกสองกระบอกจากเบื่อง น, นอกที่ดังประสานกันอีกสองนะัดจำแนกไม่ถูกก็เป็นเสียงปึนของรอพินหรือแงทรายใครก่อนใครหลังบัดนั้นเองความสับสนอนลมานทั้งมวลก็คลี่คลายลงสู่สภาพเดิมอะไรไม่ทราบ ทุกคนยังเห็นไม่ถนัดในขณะนี้หมดฤิ์เดชลงเพียงแค่นั้นเจ้าสิ่งนั้นกองเนิแขวงอยู่ปากทางตำแหน่งนั้นเองเลือดทลักพลังพลังจากรูกระสุนหลายรู